จเจรญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายบุนทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ส1อกุมภารพันพุทธศักราชส5งพนเป็นวันพระวันธรรมัสวนะวันฟังธรรม วันที่สาทุชนพุทธบริษัทให้ความสำคัญเพื่อที่จะได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆแล้วจะได้มาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจเพราะพวกเราได้พิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้ว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 ย่อมมีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดารวงพ้นการพัดพลากจากกันไปไม่ได้เรามีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทำำํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญนั้นผู้ที่รับผลบุญก็ไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายเมื่อตายไปแล้ว ก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าไปผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจนี่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่จะต้องไปต่อไปสูงไปต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ได้ทำไว้ถ้าทำบุญมากกว่าบาบุญมีกําลังมากกว่า บุญก็เดินไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็เดินไปสู่าบายชั้นต่างๆไปจนกว่าบุญกับบาปจะมีกำลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาพบกับผลบุญผลบาปใหม่ เวลาที่ชีวิตเราขึ้นก็เหมือนกับเรากำลังรับผลบุญเวลาที่ชีวิตเราลงก็เหมือนกับเป็นเวลาที่เรากำลังรับผลบาปเพราะว่าเราทำทั้งสองอย่างในแต่ละภพแต่ละชาติทำบุญด้วยทำบาปด้วยเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราก็ปลูกต้นไม้หลายๆชนิดด้วยกัน เรามีสวนเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวเราปลูกมะม่วงมะละกอปลูกกล้วยปลูกะมะพร้าวปลูกมังคุดปลูกทุเรียนเรามีต้นไม้หลายๆชนิดด้วยกันต้นไม้แต่ละชนิดเขาก็ออกดอกออกผลไม่ท้อมกันและไม่เหมือนกันชนิดบางชนิดก็ออกเร็วบางชนิดก็ออกช้า บุญบาปที่เราทำนี้ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันแล้วผลของบุญของบาปที่จะปรากฏขึ้นมาก็มีหลากหลายด้วยกันแต่โดยภาพรวมบุญก็จะให้ความสุขความเจริญกับเราบาปก็จะให้ความเสือ่อมให้ความทุกข์กับเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ชีวิตเราตกต่าก็ขอให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังรับผลบาป ที่เราได้ทาไว้ในอดีตบาปกับบุญที่เราทำไปแล้วนั้นเราไม่สามารถที่จะไปลบมันได้เพราะมันเป็นอดีตแล้วเราไม่สามารถกลับไปในอดีตได้เมื่อวานนี้เรากลับไปไม่ได้นะเราอาจจะกลับไปที่ที่เราอยู่เมื่อวานนี้ได้อยู่แต่เราไม่ได้กลับไปเวลาของเมื่อวานนี้เช่นบ้านที่เราอยู่เมื่อวานนี้กลับบ้านที่เราอยู่วันนี้ ยังเป็นบ้านหลังเดียวกันแต่มันเป็นคนละวันแล้วบ้านเมื่อวานนี้ที่เราอยู่มันหมดไปแล้วเราทำอะไรเมื่อวานนี้มันหายไปแล้วมันกำลังรอเวลาออกดอกออกผลเท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสือ่อมเราก็ต้องทำบุญ ด้าบาทเหมือนกับถ้าเราอยากจะได้มะละกออย่างเดียวเราก็อย่าไปปลูกต้นไม้อย่างอื่นปลูกแต่มะละกอเดี๋ยวก็จะได้มะละกอเต็มเต็มไปหมดเหตุ H. คือการกระทําของเราผลคือความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสือ่อมอันนี้เป็นของตายตัวของที่มัน ติดกันไปเหมือนกับไฟไฟย่อมมีความร้อนฉันใดกรรมย่อมมีวิบากฉันนั้นทำกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากรรมตามมาวิบากแปลว่าผลของกรรมกรรมนี้ไม่ได้หมายคำว่าบาปกรรมนี้หมายถึงการกระทําที่มีอยู่สามทางด้วยกันคือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจ การกระทำทางกายทางวาจานี้เป็นบาคือต้องรอเจ้านายสั่งถึงจะทำได้เจ้านายก็คือการกระทาทางใจการกระทาทางใจก็คือความคิดนี้เองก่อนที่เราจะพูดได้ก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องคิดเสียก่อนถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดี เช่นเวลาเราโกรดใครนี่เราก็จะดา่าคิดอยากจะด่าเขาแล้วก็อยากคิดจะทุบตีเขาถ้าด่าได้ก็ดา่าถ้าทุบตีได้ก็ทุบตีพอทำไปแล้วก็เกิดผลกลับมาใจก็ไม่สบายแล้วเสียใจเราไม่น่าไปด่าเขาเลยไม่น่าไปตีเขาเลยแล้ว เ, เดี๋ยวก็กลับมาดา่าเรากลับมาตีเราต่อ มีผลสองด้านด้วยกันผลด้านในก็คือใจของเราไม่สบายไม่สบายใจผลด้านนอกก็คือคนที่ถูกเราดา่าเขาก็ต้องด่ากับคนที่ถูกเราตีเขาก็จะตีเรามีผลสองอันด้วยกันแต่ผลด้านในนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นแน่นอนพอทำไม่ดีแล้วคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้ว ใจจะไม่สบาย ท, าทันทีแต่ผลด้านนอกคือคนที่เขาถูกเรดาด่าถูกเราตีเขาอาจจะไม่ทำอะไรเราก็ได้เพราะเขามีเหตุที่ทำให้เขาทำไม่ได้เช่นไปด่าคนใบอย่างนี้คนใบเขาก็ด่ากลับไม่ได้ไปตีคนที่เอามาพึกเอามาพาดเขาก็ตีเรากลับมาไม่ได้ แต่ผลที่มันเกิดนี้มันเกิดแล้วในใจของเราแล้วผลที่เกิดกับคนที่เราไปดา่าคนที่เราไปตีนี่ตอนนี้เขาตีเราไม่ได้เขาก็เก็บไว้ก่อนไว้วันเวลาไหนที่เขาตีได้เขาก็จะกลับมาตีเราเวลาไหนที่เขาด่าเราได้เขาก็จะกลับมาด่าเราถ้าชาตินี้ทำไม่ได้ก็รอไปชาติหน้า ชานหน้าเดี๋ยวไปเจอกันมันจำกันได้มันไม่ได้จำหน้าจำตาแต่มันจำเสียงมันจำวิธีพูดวิธีทำคนเรานี่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้แต่เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีพูดเปลี่ยนวิธีทำไม่ได้เราเคยพูดอย่างไรเราก็มักจะพูดอย่างนั้นเราเคยทำอะไรอย่างไรเราก็มักจะทำอย่างนั้น mm hmm. กิริยาอาการต่างๆนี้มันมันเปลี่ยนไม่ได้ พอเราไปเจอใครเข้าเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันเพราะว่าในอดีตเคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันมาก่อนถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแต่กิริยาอาการการพูดการกระทําอะไรนี้มันไม่เปลี่ยนเพราะมันมาจากใจมันไม่ได้มาจากร่างกายใจเป็นผู้สั่งให้พูดสั่งให้ทํา ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เราพูดดีทำดีเราก็ต้องคิดดีวิธีที่จะคิดดีเราก็ต้องรู้ว่าการคิดดีนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์กับเราทำให้เรามีความสุขแล้วให้รู้ว่าการคิดไม่ดีนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความเสื่อมให้กับเรา ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้คอยเฝ้าดูความคิดของเราถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะได้หยุดมันบอกเอ้คิดแบบนี้ไม่ดีอย่าไปคิดวิธีที่จะหยุดมันก็ให้มันใช้พุทธโธมาหยุดก็ได้ท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวก็หายโกรธใครแล้วอยากจะดา่าอยากจะทุบตีเขาเราก็รู้ว่าไม่ดี เราก็ต้องหยุดมันวิธีที่หยุดมันก็อย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราอยากจะด่าก็ด้วยการท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจท่องพุโทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายมันก็จะลืมไปหรือว่าเราโกรธใครนี่แหละเป็นวิธีที่เราจะยับยั้งการกระทําที่ไม่ดีได้ จนเวลาที่เราคิดดีแล้วเราอยากจะพูดดีทำดีเราก็เหยียบคันเร่งเลยปล่อยมันออกมาเลยอยากจะพูดดีปล่อยให้พูดไปเลยอยากจะทำดีปล่อยให้ทำไปเลยอย่างวันนี้อยากจะทาดีอยากจะมาวันก็ปล่อยให้มาเลยอย่าเบรก อ, อย่าเหยียบเบรกถึงแม้ว่าจะมีใครมาชวนให้ไปทำอะไรก็ไม่ไป ถ้าเป็นการกระทำที่สู้การมาวัดไม่ได้ถ้าเป็นการกระทำที่ดีกว่าก็ไปได้ถ้าไปชวนไปทำบุญที่อื่นแล้วได้บุญมากกว่ามาทำบุญที่นี่ก็ไปได้เวลาคิดดีก็เปิดไฟเขียวได้เลยพูดได้เลยทำได้เลยแล้วผลดีก็จะตามมาใจก็จะมีความสุข แล้วคนที่เขารับผลดีจากเราผลการพูดดีการทำดีของเราเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็อาจจะตอบแทนด้วยการพูดดีทำดีกับเราเราให้ขนมเขาเขาก็ให้ขนมเรากลับมาเราให้อะไรเขาเขาก็มักจะให้สิ่งนั้นกลับมาถ้าเราอยากจะให้เขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาก่อน ถ้าเราดีกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องดีกับเราเพราะความดีเป็นอย่างนี้ความไม่ดีเป็นอย่างนี้ให้ใครให้อะไรแล้วมันก็จะกลับมาหาเราเหมือนกับเรานี่แหละใครทําดีกับเราเราจะไปทําร้ายเขาได้หรือเปล่าแล้วคนที่ทําร้ายกับเราเราไปทําดีกับเขาได้หรือเปล่าใครที่ทําร้ายเราเราก็อยากจะทําร้ายเขา ใครที่เขาทำดีกับเราเราก็อยากจะทำดีกับเขาอันนี้มันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีทั้งในใจเราและจากผู้อื่นเราก็ต้องทำดีกับผู้อื่นต้องคิดดีพูดดีทำดีวิธีที่จะคิดดีก็คือให้เราสร้างธรรมะขึ้นมาสี่ข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งเรียกว่าเมตตาเมตตานี้ก็คือความปรารถนาดีความมีไมตรีจิตอยากจะให้ผู้อื่นเขามีความสุขเวลาเจอใครก็ส่งความสุขให้กับเขาอย่างน้อยก็ยิ้มก่อนก็ได้ถ้าไม่มีอะไรจะให้เพียงแต่ยิ้มเขาได้เห็นรอยยิ้มเราเขาก็ดีใจแล้ว ไม่เหมือนกับหน้าเบื้องตึงใสเขาแยกเขี่ยวพอเห็นหน้าเราแยกเขี่ยวใส่เขาเขาก็ใจไม่ดีแล้วเขาว่าเอมานมาแล้วน่ยยักมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เทวดามาแล้วถ้าเป็นเทวดาก็จะยิ้มแล้วก็พูดดีถามว่าเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่ากินข้าวหรือยังมีอะไรจะให้ช่วยเหลือหรือเปล่า นี่คือลักษณะของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราเจอคนไม่ใช่ไปแผ่ตอนที่เราอยู่คนเดียวตอนอยู่คนเดียวไม่ได้แผ่เป็นการซ้อมซ้อมแผ่เช่นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเขาบอกให้แผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหรตุนี่เป็นการทาการบ้านซ้อมก่อน เราต้องเข้าใจความหมายของคำที่เราสวดถ้าเราสวดแล้วเราไม่เข้าใจความหมายเราจะไปแผ้อะไรคาว่าสัพเพสัตตาอเวลาหนุตุนี่แปลว่าอะไรรู้หรือเปล่าสัพเพแปลว่าทั้งหลายสัตตก็แปลว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานแต่สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มีตั้งแต่ สัตว์นรกขึ้นมาจนถึงเทวดาอินพรหมพวกนี้เรียกว่าเป็นสัตว์ทั้งหมดคำว่าสัตว์นี้ไม่ได้หมายถึงเดรัจฉานเดรัจฉานนี่คือสัตว์สี่เท้าเลื้อยคลานเช่นสุนัข ก, ก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นี่เราเรียกว่าสัตว์มนุษย์เทวดานี่เรียกว่าสัตว์เทวดาคำว่าสัตว์นี้หมายถึงผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏฏะสงสารเรียกว่าสัตว์ผู้ที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ออกจากวัฏฏะดักเรียกว่าพระอริยะบุคคลพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ดังนั้นเวลาที่เรากล่าวคําว่าสัตตาสัพเพสัตตาก็หมายกันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่สัตว์นรกขึ้นไปจนถึงเอ็นพรม เ ว, วเวลาก็แปลว่าเวลาก็แปลว่าเวงอ่เวลาก็คือไม่มีเวงอเวลาผลตุก็แปลว่าขอให้เราอย่าไปมีเวงมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายอย่าจองเวงจองกรรมกันใครเขาทำอะไรทำให้เราโกรธเราก็ระงับความโกรธให้อภัยยกโทษให้กับเขา คิดเสียว่าไปจองเวงจองกรรมนี่มันกลับจะทำให้เวกงกรรมมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่น้อยลงถ้าเขาด่าเราเราไปด่าเขาเขาก็จะด่ากลับมาแต่ถ้าเขาด่าเราแล้วเราทาเป็นหูหนวกไปเฉยเฉยไปเดี๋ยวเขาก็หยุดเองเขาอาจจะด่าสักสองสามครั้ง แต่ถ้าเราไม่พูดไม่จะไม่ตอบไม่โต้เดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเขาก็หยุดเองไม่เชื่อลองไปไดา่าเสาดูสิไปดา่ามันดูสิว่ามันจะตอบโต้เราหรือเปล่าพอไอ้เสาตัว น, นี้ไม่ดีเลยดา่ามันไปสิดา่ามันไปมันก็เฉยมันไม่ตอบโต้ อ, อะไรเดี๋ยวเราคนดา่าเหนื่อยก็หยุดเองแต่ถ้าดา่าแล้วก็โต้กลับมันก็ยิ่งทำให้ร้อนใหญ่ เ้าก็ด่ามึงเราก็กลับมาแล้วก็มึงไปมึงมาเดี๋ยวก็ด่ามันไปเดี๋ยวก็ทนไม่ได้ก็ตีกันนี่แหละยั้นอย่าตอบโต้ะนะให้อภัยคิดว่าเราเป็นเหมือนลิ้นกับฟันเราต้องอยู่ร่วมกันมนุษย์เราไม่อยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่อยู่แบบมิตร ด, ดีกว่าอยู่แบบศัตรู คิดดูถ้าลิ้นกับฟันมันคอยกัดกันอยู่เรื่องนีเราจะอยู่ได้ไหเดี๋ยวจะกินอะไรไม่ได้เพราะลิ้นมันจะเจ็บไปหมดลิ้นกับฟันต้องอยู่ด้วยกันต้องประสานกันมนุษย์เราก็ต้องอยู่ด้วยกันก็มีอะไรกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยไม่จองเวรถ้าเราไม่จองเวรแล้วใจของเราก็จะเย็นจะสบาย ถ้าเราจองเวรใจเราจะร้อนความร้อนของใจเนี่ยเรียกว่านรกความเย็นของใจนี่เรียกว่าสวรรค์ถ้าใจเราร้อนเราก็เป็นนรกสัตว์นรกถ้าใจเราเย็นเราก็เป็นเทวดาเราอยากจะเป็นอะไรถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาเราก็ต้องทำใจเราให้เย็นทำใจให้เย็นก็คิดให้อภัย คิดว่าสิ่งที่เขาพูดไปแล้วทำไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเรากลับไปเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วถ้าเราไม่คิดถึงมันเราลืมมันเสียมันก็ไม่มีอะไรอย่างตอนนี้เราลืมอะไรไปต้องเยอะแยะเราไม่ใช่เหรอเรื่องที่คนเขาทำให้เราไม่พอใจนี่หายไปไหนหมดแล้วเพราะว่าเราไม่ไปคิดถึงมันนั่นเองถ้าเรายังคิดถึงมันอยู่มันก็ยังทาให้ใจเราร้อนอยู่ เช่นเมื่อวานนี้ใครเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีวันนี้เรายังคิดอยู่ถ้าลองคิดอยู่มันก็จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเวลาเราเจอเขาเราก็อยากจะว่าเขาอยากจะตีเขาแต่ถ้าเราลืมไปแล้วพอเจอเขาเราก็จำไม่ได้นะจํจำไม่ได้ก็ทักทายปลาใสแผ่เมตตกันได้ถ้ายังจำได้อยู่มันก็แผ่ไม่ออก พอเห็นเขาทีไรว่าไอคนนี้มันว่าเรามันตีเราางนี้พอเจอมันทีไรมันก็จะแผ่ไม่ออกงั้นพยายามลืมเสียอดีตที่ผ่านไปแล้วขอให้เราคิดว่าอดีตเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้เราฝันดีฝันร้ายตื่นขึ้นมามันหายไปหมดแล้วอย่าเอามาอย่าเอามาเก็บไว้ในปัจจุบันเพราะไม่เป็นประโยชน์อะไรฝันดีก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ฝันว่าเรารวยมันก็ไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นมาแต่อย่างใดปล่อยมันไปอดีตมันผ่านไปแล้วพยายามทําปัจจุบันให้มันดีดีกว่าปัจจุบันดีก็ดีด้วยความคิดนี้ถ้าเราคิดดีใจก็เย็นสบายถ้าเราพูดดีทำดีเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีกลับมาหาเรานี่เป็นกฎแห่งกรรม และเป็นวิธีป้องกันการกระทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นวันนี้เรามาสมาทานศี่ห้ากันสมาทานศี่ห้าก็คือการละเว้นจากการกระทําสิ่งที่ไม่ดีการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงดื่มสุรายาเมาเป็นการกระทําที่ไม่ดีไม่เชื่อลองไปทําดูสิทำแล้วดูเสียใจจะสบายหรือไม่ ไปขโมยเงินของคนอื่นมาแล้วดูซิว่าใจจะสบายหรือไม่ไปฆ่าคนอื่นแล้วดูซิว่าใจจะสบายหรือไม่ไปประพฤติผิดประเวณีกับผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นทำแล้วใจจะสบายหรือไม่มันไม่สบายหรอกแล้วถ้าเขาจับได้ก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่ถูกจับก็ต้องไปถูกเข้าขังคุกขังตารางแต่ถ้าเราไม่ทําเสีย เราก็จะไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเสื่อมเสียตามมาวิธีที่เราจะไม่ทําบาปได้ก็คือเราต้องมีความเมตตาเราต้องคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราถ้าเราถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเขาตีเราเราก็อย่าไปตีเขาเวลาเราตีเขานี่มันก็เหมือนกับถ้าคนอื่นมาตีเรา เวลาคนอื่นเขาตีเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็จะเจ็บนะงั้นถ้าเราไม่อยากให้เราเจ็บเราก็อย่าไปตีคนอื่นเพราะเมื่อเราไปตีคนอื่นแล้วเขาก็อยากจะกลับมาตีเรานั่นเองให้คิดว่าเวลาเราทำร้ายผู้อื่นเหมือนกับทำร้ายตัวเราเองให้เรามีความกลัวกับผลของการกระทำที่ไม่ดีว่าทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมา ทำร้ายผู้อื่นก็จะถูกผู้อื่นทำร้ายฆ่าผู้อื่นก็จะต้องถูกผู้อืน่นฆ่านักโทษที่ก็ถูกประหารชีวิตเนี่ยก็พราะไปทําไปฆ่าผู้อื่นเขาพอไปฆ่าผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ต้องมาฆ่านี่คือสิ่งที่เราควรจะคิดอยู่เรื่อยๆรเรียกว่าเป็นการซ้อมทําการบ้านเวลาที่เราเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นมา เราจะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะได้หยุดได้นี่คือความเมตตาเรียกว่าถ้ามีความเมตตาแล้วจะคิดดีจะพูดดีทำดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลดีก็จะกลับมาผลของผู้ที่มีความเมตตานี้ท่านก็แสดงไว้หลายข้อด้วยกันเช่นจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คนทำดีนี่พระคุ้มครองเทวดาคุ้มครองเพื่อนมนุษย์ด้วยการคุ้มครองเวลาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจะมีคนมาช่วยเหลือเราเพราะเราให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นพอเราเขาเห็นเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือเรา ท, ทันทีนี่คืออนิสง์ของการมีความเมตตาแล้วก็จะ ตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายเวลาตายก็จะไม่ตายด้วยสัตาวุตจะไม่ถูกมีดแทงจะไม่ถูกปืนยิงจะไม่ถูกยาพิษเพราะจะไม่มีใครอยากจะฆ่าเราอยากจะทำลายเราเพราะเราทำแต่ความดีเราไม่เป็นพิษเป็นภัย ถ้าเราทําตัวแล้วไม่ดีแล้วก็เป็นเหมือนกับสัตว์ ร, ร้ายเช่นสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเวลาถ้าสิงสาราสัตว์ออกมาเพ่นพ่านในบ้านในเมืองนี่คิดว่าเขาจะทําอะไรกันเขาก็จะต้องยิงมันเพราะเขากลัวมันจะไปฆ่าผู้อื่นไปทําร้ายผู้อื่นฉันเรยถ้าเราทําร้ายผู้อื่นเป็นทําตัวเหมือนสิงสาราสัตว์ไม่มีความเมตตา มีแต่ความโหดร้ายทารุณเราก็จะต้องได้รับผลนั้นกลับมาก็จะมีแต่คนตามฆ่าเราเท่านั้นเองกาจัดเราเพราะปล่อยให้เราเพ่นพ่านไม่ได้เพ่นพ่านแล้วเดี๋ยวจะต้องไปฆ่าผู้อื่นนั่นเองพวกโจรผู้ร้ายพวกฆาตกรเขาถึงต้องจับไปขังไว้ในตารางหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องฆ่าทิ้งไปเลยเพราะถ้าปล่อยไว้ก็จะทำให พู้อื่นเขาเดือดร้อนนี่แหละพวกที่ใจโหดร้ายทารุณก็คือพวกที่ไม่มีความเมตตานั่นเองแต่พวกที่มีความเมตตานี้ไปอยู่ที่ไหนกับใครจะไม่สร้างความเดือดร้อนจะมีแต่ให้อย่างเดียวให้ความสุขให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นไปที่ไหนจึงมีแต่คนอยากจะต้อนรับเวลาจากไปก็มีแต่คนบ่นว่าเสียดาย ไม่อยากให้ไปเลยตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ดีคนเวลาไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนสาบแช่งอยากจะให้ตายเร็วๆเวลาไปตายไปก็ดี อ, อกดีใจกันก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจคนดีไม่ดีก็อยู่ตรงที่ความคิดดีพูดดีทำดีหรือไม่ไม่คิดดีไม่พูดดีไม่ทำดีนั่นเอง ร่างกายของคนเราเหมือนกันทุกคนมีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันของพวกนี้มันเป็นกลางกลางมันไม่ดีไม่ชั่วคนสิ่งที่จะทำให้คนไม่ดีไม่ใช่ผมขนเล็บฟันคนสิ่งที่จะทำให้คนดีก็ไม่ใช่ผมขนเล็บฟันคนจะดีคนจะชั่วอยู่ที่การกระทำ อยู่ที่การคิดการพูดการกระทำถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็กลายเป็นคนไม่ดีไปไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้คนที่คิดดีพูดดีทดําดีก็จะเป็นคนดีมีคนอยากจะเข้าหาอยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่คนรักคนชอบ เราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีวิธีที่อยากคิดดีพูดดีทำดีก็คือต้องมีเมตตาต้องพยายามซ่องแผ่เมตตาและเลืกอถึงความเมตตาอยู่เรื่อย เ, อยเวลาใครทําให้เราโกรธก็ให้อภัยเวลาใครเดือดร้อนก็ให้ความช่วยเหลือเวลาเจอใครก็ยิ้มแย้มแจ่มายทักทาย มีอะไรแบ่งปันแจกจ่ายกันได้ก็แบ่งกันไปแล้วรับรองได้ว่าจะมีชีวิตที่มีแต่ความสุขจะมีแต่มิตรจะไม่มีศัตรูจึง<ม>ขอให้พวกเราปย า, ยาคิดดีพูดดีทำดีเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็จะมีความสุขเวลาตายไปเราก็จะไปสู่สุคติ เราก็จะไปสวรรค์ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาคิดดีพูดดีทำดีเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของจิตใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันก็มีความสุขอนาคตตายไปก็ได้ไปสู่สุคติไปเกิดเป็นเทพเป็นอินเป็นพรหมต่อไป